ที่เมืองเกียวโตโประเทศญี่ปุ่นมีวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางของนิกายเซนนิกายหนึ่งเซนในญี่ปุ่นก็มีสามนิกายนิกายนี่ชื่อโอบาคุวันนี้มีซุ้มประตูที่สวยงามโดยเฉพาะ อักษรจีนที่เขาแกะสลักตรงเหนือซุ้มประตูก็เป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะเพราะาถือว่าเป็นอักษรจีนที่สวยงามมันก็มีประวัติความเป็นมาเมื่อสักสองสร้อยปีก่อน อาจารย์ที่เขาเขียนอักษรจีนนี่เป็นอาจารย์ที่มีชื่อมากเวลาเขาจะวิธีการเครต้องเขียนอักษรจีนลงไปบนแผ่นกระดาษแล้วก็ไปปะกลับม้แล้วก็ค่อยแกะสลักต้องเขียนด้วยมือนะสดๆอาจารย์คนนี้ก็มีลูกศิษย์เป็นลูกมือนะช่วย ทำทำหมึกสำหรับการเขียนอักษรจีนด้วยผู้กันต้องเขียนตัวใหญ่ด้วยลูกศิษย์คนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ที่กล้าพูดนะตอนที่อาจารย์เริ่มเขียนตวัดพู้กันนะครั้งแรกเนี่ยลูกศิษย์เขาเห็น เขาก็บอกว่ายังไม่สวยอาจารย์ก็เลยเขียนอีกครั้งหนึ่งลูกศิษย์ก็พูดตรงไปตรงมาว่าแย่กว่าเดิมนะอาจารย์ก็เลยเขียนอีกครั้งหนึ่งลูกศิษย์ก็ยังไม่พอใจรอกว่าต้องเขียนถึงแปดสิบครั้งนะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังแต่ว่าลูกศิษย์ก็ยังมีข้อตาหนิ จนอาจารย์นี่เริ่มท้อแล้วก็เพรลูกศิษย์นี่มีทุเละออกไปข้างนอกพอดีอาจารย์ก็เลยฉวยโอกาสในขนาดนั้นเลยนะเพราะคิดว่าเออลูกศิษย์ไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่มีใครวิจารณ์ฉันละนะอาจารย์ก็เลยรีบนะฉวยโอกาสตวัดผู้กันอย่างรวดเร็วมาก พอตบาทเสร็ก็ลูกศิษย์มาพอดีมาเห็นก็ออกปากชมเลยว่างามมากงามจริงๆนะก็เลยได้ผลงานในที่สุดอันนี้มันก็เป็นเกรดความเป็นมาของอลายอักษรจีนบนซุ้มประตูของวัดออบคัคคุแต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ได้ดีนะว่า แม้แต่คนที่มีฝีมือนะถ้าหากว่าเขากังวลสายตาของผู้อื่นเนี่ยก็ยากที่จะผลิตผลงานที่สุดยอดได้จนกว่าว่าเขาจะวางหรือว่าไม่รู้สึกกังวลกับสายตาของคนอื่นเนี่ย เมื่อใดที่ไม่รู้สึกมีความกังวลหรือไม่แคร์สายตาของผู้อื่นเขาก็จะสามารถผลิตงานชั้นเลิศออกมาได้หรือว่าจะสามารถทำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาได้เรากำลังสังเกตดูตัวเราว่าเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเวลาเราทำแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามีใครจับจ้องเราอยู่หรือว่า เราไปห่วงความรู้สึกหรือสายตาคำวิจาร์คำชมของใครก็ตามเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันไม่สามารถเราจะไม่สามารถจะทำอะไรได้เต็มที่นะแต่พอเราไม่มีสายตาคนอื่นมาให้กังวงกังวงหลหรือพะวงเนี่ยนะก็จะทำงานได้เต็มที่ เพราะอะไรจะเรียกเป็นพราะมีสมาธิก็ได้จิตไม่วอกแวกหรือจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกเรื่องตัวตนอยู่ก็ได้เพราะว่าเวลาเรานึกถึงสายตาหรือว่าความเห็นของผู้อื่นเนี่ยก็จะนึกไปในแง่ายที่ว่าเขาจะชมเราหรือเขาจะตําหนิเราไอ้ความรู้สึกว่ามีเราอยู่เนี่ย มันก็ไปทำให้เกิดความรู้สึกเกรงขึ้นมาความรู้สึกตัวกูมันเกิดขึ้นพอตัวกูเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีสมาธิแล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่พวงนะถึงสายตาของใครจะไม่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะว่าฉันยังไงเขาจะพูดถึงฉันยังไงไม่มีความรู้สึกนี้เนี่ยจิตมันก็เป็นสมาธิได้ ก็พเป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็ออกมาได้ดีนะนะผลงานสุดยอดหรือว่าคิดออกมาทำออกมาได้ได้ล้ำเลิศมากแล้วคนจานวนมากคิดว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีอีโก้ต้องมีอัตตาเป็นแรงขับเคลื่อนแต่ว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าเวลาเรา คิดว่าเขาจะว่าเขาจะพูดถึงฉันยังไงเนี่ยหรือว่าอยากจะให้เขาสรรเสริญอยากจะให้เขาเขาชมฉันเนี่ยมันก็จะไม่มีสมาธินะกับสิ่งที่เราจะทําบางทีพอคิดถึงสายตาคนอื่นแล้วคิดว่าเขาจะมองเราอย่างไรเนี่ยสิ่งง่ายๆกลายเป็นสิ่งยากขึ้นมาได้อย่างเวลาเล่นฟุตบอลเนี่ย จุดที่สามารถจะเตะบอลเข้าง่ายที่สุดนะก็คือจุดเขาเรียกว่าจุดโทษนะจุดโทษหน้าประตูเนี่ยเราคงนึกออกนะอันนี้เป็นจุดที่เตะบอลเข้าประตูได้ง่ายที่สุดนะไม่ใช่ตรงตรงมุมนะเรียกว่าคอนเนอร์แต่ต้องตรงหน้าประตูเลยตรงจุดโทษแต่ก็บ่อยครั้งนะ คนเตะไม่เข้าอันนี้รวมถึงดาราหรือว่าผู้ที่เป็นนักฟุตบอลระดับโลกที่มีชื่อนะส่วนใหญ่นี่ก็เคยผ่านการเตะลูกโทษไม่เข้าเนี่ยมากกันทั้งนั้นไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งด้วยไม่ใช่เพราะโ ก, โกเก่งนะไม่ใช่เพราะประตูนี่เก่งนะแต่เป็นเพราะว่าเตะพลาดทนะ า, ายถึงเตะพลาดนะส่วนใหญ่ก็เพราะว่า ไปคำนึงถึงสายตาของคนผู้ชมโดยเพราะถ้าเป็นนัดที่นัดชี้ขาดนัดชี้ชะตาเนี่ยคือถ้าเตะไม่เข้านี่ตกรอบเนี่ยหรือมีโอกาสตกรอบสูงเนี่ยยิ่งยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่เพราะทัตเตะไม่เข้าเนี่ยก็จะโดนโหโดนลุมประนามนะสายตาคนเป็นหมื่นเป็นอาจจะเป็นแสนในสนามเนี่ย มันก็ทาให้นักกีฬาระดับดาราเนี่ยซูเปอร์สตาร์เนี่ยเขียนเตะไม่เข้าหลายครั้งพาอไปคิดถึงสายตาของคนอื่นซึ่งก็ทาให้เกิดความรู้สึกว่านะถ้าเตะไม่เข้านี่ฉันแย่แ น, แน่เลยเพราะว่าลูกง่ายๆแนี้เตะไม่เข้าคือถ้าลูกยากๆเตะไม่เข้านี่ไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าง่ายๆเตะไม่เข้าเนี่ยมันเสียชื่อ แล้วก็เตะไม่เข้าจ ร, จริงๆเพราะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาในใจมันก็คือเรื่องของอัตตนั่นแหละนะแต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่คํานึงถึงสายตาของผู้คนเสมอกับว่าบนสนาม น, นั้นเนี่ยมีแต่มีแต่ฉันกับลูกฟุตบอล น, นะไม่มีแม้กระทั่งประตูได้ซ้าคนที่เขาสามารถทําใจแบบนี้ได้ว่ามีแต่ฉันกับลูกฟุตบอลเท่านั้นเองไม่มี ไม่มีผู้ชมไม่มีผู้ดูหรืออย่างมากก็มีผู้รักษาประตูอีกคนหนึ่งถ้าในสนามมีแค่นี้เนี่ยก็เตะเข้าทั้งนั้นเก้าสบเก้าเปอร์ซ็นก็เตะเข้าอย่างเช่นเวลาซ้อมเนี่ยเวลาซอ้าซอมเตะลูกลูกโทษนี่เข้าทั้งนั้นแหละดาราฟุตาฟุตบอลระดับนี้นะแต่เพราะว่าพอมาเตะจริงเนี่ยมันมีความรู้สึกเกรงมีความรู้สึกวิตก ให้ความวิตกนี่แหละที่ทำให้จิตไม่มีสมาธิ เ, าเรียกเ่าไม่เป็นหนึ่งจิตไม่เป็นหนึ่งเมื่อจิตไม่เป็นหนึ่งความสามารถที่จะออกมาอย่างเต็มที่มันก็ถูกสกัดกันไปให้เวลาเราทําอะไรเนี่ยลองลองทำในใจมืนก็ว่าไม่มีใครอยู่ไม่มีใครดูนะไม่สนใจว่าใครเขาจะรู้รู้สึกอย่างไรนะอย่างอาจารย์ คนที่เขาเขียนตัวอักษรจีนเนี่ยตอนที่เขาเขียนที่ดีที่สุดคือตอนที่เขาสื่อว่าไม่ต้องพวงสายตาของใครเพราะตอนนั้นลูกศิษย์ไม่อยู่แต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัตินะถ้าเราปล่อยวางได้จริงๆเนี่ยแม้จะมีคนอยู่มากมายนะเราก็ไม่พวงนะกับสายตาของใครสมมติกับว่าเราอยู่คนเดียวนะเราก็ทําได้เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าจะต้องหลีกเลนนะไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครดูอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องของการรู้จักปล่อยวางได้เหมือนกันนะเป็นการปล่อยวางคือวางจากความกังวลในสายตาหรือคำวิจารณ์ของคนอื่นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันจะ มีการปล่อยวางอีกอันหนึ่งที่ลึกกว่า น, นั้นก็คือการปล่อยวางเรื่องตัวกูของกนะูคือถ้าพอทำแล้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องตัวกูขึ้นมาเนี่ยไม่มีความสุขวัชฉันจะเป็นอย่างไรนะฉันจะได้อะไรนะฉันจะเสียอะไรไม่มีความรู้สึกแบบนี้เราก็สามารถที่จะทำงานได้หรือว่าทำสิ่งที่ควรทำได้อย่างดีที่สุด การทํางานอย่างปล่อยวางถึงสําคัญอย่างนี้นะคนไม่เข้าใจว่าปล่อยวางนี่คือไม่ไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่แต่ว่าปล่อยวางจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกก็คือทำนะแต่ว่าจิตเป็นสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทําไม่ว่าจะเป็นการเขียนอักษรจีนจะเป็นการเตะฟุตบอลหรือการทํางานพวกศิลปินที่เป็นนักนักวาดเนี่ยโดยเฉพาะในฝ่ายลทัทธิเซนเนี่ยเขาจะถึงขั้นมาก ถึงขั้นที่เรียกว่าอย่างเช่นเวลาวาดต้นไผ่เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่สนใจว่าใครดูว่าเขาวาดสวยไม่สวยนะแล้วเขาทํายิ่งกว่านั้นก็คือว่าเขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งเดียวกับต้นไผ่เลยคือไม่มีตัวเขาต่อไปนะมันมีแต่ต้นไผ่ที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตวัดออกมาอย่างรวดเร็วกว่าจะฝึกแบบนี้ได้ก็เป็นเป็นสิบปีนะมันก็มี นัก บ, บวชลทัทธิเซนเนี่ยบางคนเนี่ยหลายคนทีเดียวก็กฝึกฝึกให้ไม่มีตัวตนจนเป็นอันหนึ่งก็คือเป็นอันหนึ่งเดียวกับไม้ไผ่หรือต้นไผ่ที่กำลังวาดไม่มีผู้วาดมีแต่ต้นไผ่อย่างเดียวแล้วก็วาดออกมาซึ่งก็วาดได้สวยงามมากนะเหมือนกับว่าต้นไผ่นี่มีชีวิต จะทายิได้นี่ต้องไม่ใช่แค่อาศัยสมาธิอย่างเดียวต้องอาศัยสติด้วยนเพราะสะติเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิธีการที่เรียกว่าเป็นอุบายสลายตัวตนอย่างหนึ่งอันนี้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้นะกับนักบวชผู้หนึ่งนะชื่อพาหิยะพาหิยะนี่ก็เป็นนักบวชที่เคยคิดว่าตัวเองนี่เป็นพระอรหันต์ แต่ตอนหลังมีเพื่อนซึ่งเป็นเทวดานะเพื่อนเทวดานี่มาบอกว่ามากักระซิบว่าท่านไม่ใช่อรหันหรอกอรหรนันตัวจริงนี่มีอยู่นะที่วิหารเชตวันกรุงสาวัตถีก็คือพระพุทธเจ้าภัยะก็ตาสว่างขึ้นมาทันทีเพรารู้ว่าจริงๆตัวเองนี้ก็ยังมีกิเลสอยู่ก็รีบเดิน รุดนะรุดหน้าไปที่เมืองสาวัตถีเส้นทางระยะทางก็หลายร้อยโยชนนะพอไปถึงก็พอดีกับที่พระพุทค์กำลังเสด็จบินทบาตภไผยะก็รีบไปหาทันทีนะแล้วก็ทูลให้พระองค์แสดงธรรมพระองค์เห็นว่าไผยะเพิ่งมาถึงแล้วก็ท่าทางก็ดูจะร้อนรนด้วยนะก็เลยปฏิเสธไยยะ ขอถึงสามครั้งในสื่อพระองค์ก็เลยตัดแสดงธรรมสั้นๆอาจจะคงเห็นว่าพยะยาก็หายเหนื่อยแล้วแล้วก็จิตใจเริ่มสงบลงคือถ้าใจไม่สงบใจยังร้อนรุ่มเนี่ยมันก็ไม่พร้อมกับการฟังธรรมนะใจกระตือรือร้นนะกระตือรือร้อนมากเกินไปก็ไม่ดีต้องใจสงบพอประมาณ พระองค์ก็สแสดงธรรมนะสั้นๆ น, นะบอกว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วก็ลิมลับรดน ะ, ะแล้วกายสัมผัสใจคิดนึกก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าริมลดสักแต่ว่ารู้สึกนะเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มี ไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็ระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์พอตัดเช่นนี้พัยยะก็บรรลุธรรมทันทีเป็นพระอรหันต์ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ที่ตัดสรุปธรรมเร็วมากเป็นเอตทักคะด้านนี้แล้วก็เลยจะไปขอบวชแต่ว่าไม่ทันจะได้บวชก็โดนวัวขีดตายนะ อันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเกร็ดประวัติสั้ น, นๆนะแต่ว่าใจความสําคัญอันนี้ก็คืออันที่พระองตัดกับท่านภาหิยะ น, ะนะเมื่อเห็นศักตะวะเห็นเมื่อได้ยินศักตะวะได้ยินนะเมื่อรับรู้ก็ศักตะวะรับรู้เมื่อรู้แจ้งก็ศักตะวะรู้แจ้งเนะี่ยเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มนะีคือมีแต่การเห็นแต่ไม่มีผู้เห็นนะมีแต่การได้ยินแต่ไม่มีผู้ได้ยิน อันเนี้ยก็เป็นถึงเรียกว่าเป็นอุบายสลายตัวตนนะให้เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเวลาเราเดินถ้าเราอยู่รู้สื่อว่ามีฉันเป็นผู้เดินนี่มันก็ไม่ใช่ละเช่นเดินไปก็คิดไปว่าฉันเดินหรือบริกรรมไปว่าฉันเดินนี่ไม่ใช่เดินก็ให้รู้สึกว่าเดินให้เป็นความรู้สึกตัวจริงๆเมื่อเราเดินยังมีสติอันนั่นแหละคือ คือคือการที่กายเดินมันไม่มีผู้เดินมันมีแต่กายที่เคลื่อนไหวไม่ไม่ใช่มีตัวฉันที่เดินเวลาโกรธเวลาคิ ด, คดก็เห็นความโกรธความคิดแต่ว่ามันไม่มีผู้โกรธผู้คิดนั่นเนี่ยคือสภาวะที่เรียกว่ามันไม่มีผู้เห็น อไม่มีผู้เป็นมันมีแต่การเห็นเฉยๆก็จะเห็นจะไม่ใช่มีตัวกูเนี่ยเป็นเจ้าของการกระทาไม่มีความรู้สึกว่าฉันเดินไม่มีความรู้สึกว่าฉันคิดฉันโกรธแต่ว่ามันมีแต่กายที่เดินมันมีแต่ใจที่คิดนะไอความรู้สึกว่าตัวฉันทำโน่นทำนี่เนี่ย มันก็จะเลือนลางหายไปนี่การคือการอ น, นิสง์ของการที่เราทาหรือประกอบอุเบทอย่างมีสติจะเรียกว่าวางความยึดมั่นสำคัญหมายว่ามีตัวกูก็ได้เป็นการปล่อยวางอย่างหนึ่งแต่แม่ไม่เราอาจจะสังเกตอย่างนี้ไม่ชัดนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้คือ พอเรารู้ทันเนี่ยมันวางได้มันวางได้ง่ายวางได้เร็วเวลาเราโกรธเวลาเราโมโหเวลาเราหงุดหงิดพอเรารู้ทันเห็นน้กการเหล่านี้เนี่ยมันวางไดนะ้อันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการวางละวางอัตตาตัวตนนะเริ่มจากการวางความคิดวางอารมณ์ก็ไม่ต้องใช้อะไรมากนอกจากสติ การปฏิบัติเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเอาไม่ใช่เพื่อได้อะไรนะแต่เพื่อวางวางต่างแต่เรื่องที่ง่ายง่ายเช่นความรู้สึกนึกคิ ด, คดที่ไม่ได้ตั้งใจ ค, ความฟุ้งซ่านนั่นเองาวางอดีตวางอนาคตค <urt. S 1> เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เสียเวลาไปกับเรื่องคิดถึงอดีตกังวลกับอนาคต พอเรารู้ว่าใจมันไปอยู่กับอดีต ก, ก็วางรู้ว่าใจไปอยู่ไปกังวลกับอนาคตก็วางหรือแม้แต่เวลาเจอผัสสะที่มากระทบต่อหน้าต่อตาจะเป็นเสียงจะเป็นรูปนะหรือจะเป็นสัมผัสผัสสะก็วางได้แม้ว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะก็ไม่ยึดไม่ติดวาง อย่างที่พระุูปเจ้าได้สอนตัดสอนพระนันทิยะมีคนมาถามพระนันทิยะว่าพระรูปเจ้าสอนอะไรนะพระนันทิยะก็บอกว่าเนี่ยพระองค์สอนอย่างนี้แหละว่าให้ปล่อยวางทั้งข้างหน้าท่ามกลางแล้วก็ข้างหลังไม่ยึดติดในอดีตไม่ยึดติ ด, ดไม่ยึดติดอารมณ์อันเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตคือไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยวางแต่เฉพาะอดีตกับอนาคตนะแม้ทั้งปัจจุบันแม้แต่อารมณ์ปัจจุบันก็ไม่ยึดติดด้วย มีอารมณ์ที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเกิดขึ้นก็วางแล้วท่านก็พูดดีกว่าเนี่ยเมื่อมีคนด่าว่าเธอบนบกก็ให้วางคำด่าว่านั้นให้กองลงตรงนั้นอย่าเอาลงน้าด้วยเมื่อมีคนด่าว่าเธอในน้ำก็ให้วางกองลงตรงนั้นนะอย่าเอาขึ้นบกด้วยเมื่อมีคนว่าเธอที่ สาวัสถีก็ให้วางตรงนั้นไม่ต้องเอาไปที่เฉตะวันนะนี่คือความหมายว่าปล่อยวางนะแล้วก็โดยโยกเอาสิ่งที่รู้สึกง่ายๆคือคำคำด่าคำว่าถ้าเราสังเกตดูเราวางถ้อยคำเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะพอมีคนพูดกระทบเราทันทีเลยเราเร า, เราเก็บเรายึด ตอนนี้ใครจะพูดอะไรฉันไม่ได้ยินแล้วนะฉันก็จะปักตรึงอยู่กับไอ้คำพูดซึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นอดีตเมื่อ5วินาทีที่แล้วเป็นอดีตเมื่อสิบวินาทีที่แล้วก็ยังเอามาคิดพอคิดแล้วยังไงก็ฟังไม่รู้เรื่องแนละ้วว่าใครพูดอะไรนะหรือเหมือนกับเวลาเราได้ยินข่าวร้ายนะข่าวร้ายหรืออาจจะเป็นข่าวที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่เป็นข่าว เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองพอได้ยินทางโทรศัพท์หรือได้ได้อ่านทาง SMS ใจมันก็ไปอยู่กับตรงนั้นแหละไม่รับรู้อะไรอย่างอื่นแล้วนี่ก็คือไม่รู้จักวางนั่นเองการฝึกสติเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราถ้าเราทำจนกระทั่งสติเราว่องไวนะมันก็จะวางได้ พอเวลาเราตรึงปักอยู่กับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกต่างๆนานาเช่นหนักอึ้งนะหรือว่าร้อนรุ่มหรือบางทีก็มันเบลอไปเลยนะอันนี้ลถเรี่กวหลงถ้าเรามีสติเราเจอกับอารมณ์พวกนี้บ่อยๆ อ, อย่างที่พูดไว้เมื่อสองวันก่อนว่า มันต้องเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆตนจำได้พอจำได้แล้วเนี่ยพอมันเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็วางได้แต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจมอยู่ในอารมณ์เนี่ยหรืออยู่ในความคิดฟุ้งซ่านก็ตามเนี่ยเราไม่เคยได้สัมผัสกับความรู้สึกเบาความรู้สึกสบายความรู้สึกปล่อยวางหรือว่างจากอารมณ์ ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราไม่ค่อยได้สัมผัสกับสภาวะที่ว่างจากอารมณ์และความคิดมันคิดตลอดเวลาคิดเรื่องนี้จบก็คิดเรื่องนั้นต่อคิดเรื่องนั้นต่อจบก็คิดเรื่องโน้นต่อนะไม่เคยมีสภาวะที่ว่างจากความคิดเลยหรือว่างจากอารมณ์แต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปความคิดมันสั้นลงสั้นลงสั้นลง ช่องว่างระหว่างความคิดที่หนึ่งกับความคิดที่สองเนี่ยมันก็เริ่มห่างขึ้นห่างขึ้นแต่ก่อนคิดความคิดที่หนึ่งความคิดที่สองมันติด ก, กันเลยติด ก, กันเพื่อเหมือนกับขบวนรถรถไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าพอคิดพอลุ้ตัวหยุดคิดต่อใหม่แต่พอเรามีสตินะก็จะความคิดก็จะสั้นลงที่เป็นขบวนยาวก็จะสั้นลงสั้นลงที่ทีนี้ แม้แต่ความคิดที่หนึ่งกับความคิดที่สองที่เคยติดกันมันก็ห่างนะก็จะเกิดได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ว่างจากความคิดแล้วก็จะรู้สึกว่าโอมันเป็นสภาวะที่เบาสภาวะที่โปร่งโลง่งเมื่อเราได้สัมผัสกับสภาวะนี้บ่อยๆก็จําได้นะจนกระทั่งจิตนี้สามารถที่จะ จะเรียกว่าตั้งอยู่ในสภาวะนั้นก็ได้หรือว่าประครองอยู่ในสภาวะที่โปร่งเบาก็ได้ทีนี้พอเกิดเสียสูญขึ้นมาเกิดมีอารมณ์มากระทบเกิดความรู้สึกร้อนรุ่มเกิดความรู้สึกหนักอกหนักใจนะเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเออนี่เรากําลังคลาดจากสภาวะที่เป็นปกติคนที่ไม่เคยพบสัมผัสกับสภาวะที่เป็นปกติคือโปรง่งร่่งเบาอยู่เสมอเสมอเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เวลา จิตนั้นหลุดจากสภาวะนั้นไปแต่พอเราได้เจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเราจําได้จิตจําได้อันนี้คือสตินั่นพอมันเสียศูนย์ขึ้นมาก็รู้นะเมื่อคนที่แต่ก่อนเนี่ยยืนเนี่ยหรือเดินเนี่ยเดินตัวเอียงยืนตัวเอียงแต่ต่อหลังเขาไม่รู้ที่ซ้ำว่าเขายืนตัวเอียงแต่ต่อมาเขารู้ตัวเออเดินไม่ต้องยืนเป็นปกตินะยืนตรงๆนะเมื่อเขารู้จักวิ แล้วเขได้รู้ว่าการยืนตรงๆเป็นอย่างไรพอมันตัวมันเอียงเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่ละจิตใงเราก็เหมือนกันนะพอเราสัมผัสกสภาวะที่ปกติอยู่เรื่อยๆพอเราได้เจริญสติมาพอจิตมันเริ่มเอียงไม่ว่าเอียงไปทางบวกหรือเอียงไปทางลบเอียงไปทางบวกก็คือว่าอารมณ์มันฟูเอียงทางลบก็คืออารมณ์แฟบฟูก็อิทธารมแฟบก็อ น, นิฐาลมอารมณ์บวกนี่ก็ทําให้จิต เคลื่อจากปกติเหมือนกันนะเช่นดีใจดีใจมากเนี่ยมันก็จิตก็เคลื่อจากปกติแต่ก่อนไม่รู้หรอกนะแต่ตอนหลังก็รู้รู้แล้วก็พาจิต ก, กลับมาสติมันจะพาจิต ก, กลับมาสู่ความปกติและตรงนี้แหละที่จะทำให้เราสามารถที่จะรู้ทันอารมณ์ต่างๆได้ไวขึ้นและพอรู้แล้วก็วางได้วางได้จิต ก, ก็กลับมาเป็นปกติใหม่ ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปกดข่มอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าไปกดข่มมันเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่เหมือนกระตุกตาล้มลุกยิ่งผักมันก็ยิ่งกระเด็นเข้าหาเราเร็วเข้าเราเพียงแต่รู้มันเฉยๆนะนการจรุลสติเนี่ยมันช่วยทำให้เราปล่อยวางทำให้เกิดการปล่อยวางได้ ปวางจากเรื่องง่ายๆคืออารมณ์ความคิดที่แรกเป็นความคิดก่อนความคิดนี้ปล่อยง่ายที่สุดวางได้ง่ายที่สุดต่อมาก็เป็นอารมณ์ต่อมาก็จะเป็นเวทนานะแล้วต่อไปก็จะเห็นไอความสําคัญบ้านหมายในตัวตนเนี่ยมันก็จะค่อยๆวางหรือว่าเห็นว่ามันเป็นความปรุงแต่งอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเวลาเราเดินเนี่ย แต่ก่อนก็สวฉันเดินฉันเดินเวลาคิดก็สวฉันคิดมันมีความสําคัญมันหมายว่าเป็นตัวฉันแต่พอเรามีสติทําปฏิบัติไปเรื่อยกๆก็เห็นว่าเออไอที่เดินนึกายมันเคลื่อนไอที่คิดเนี่ยไม่ใช่ฉันคิดแต่มันเป็นใจที่คิดกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกก็เห็นอย่างนี้แหละมันไม่มีตัวตนโผล่มาที่ตรงไหนแล้วตรงเนี้ก็จะทําให้ละวางจากไอความยึดถือในตัวตนได้ คว่าระว่างตัวตนนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าตัวตนมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นสิ่งที่ปรุงขึ้นมาแล้วเกิดความสำคัญมั่นหมายนะแต่พอเรารู้แล้วนะไอความปรุงแต่งก็ไม่เกิดขึ้นนะพูดง่ายคือว่าสติมันทำให้ความปรุงแต่งมันหายไปไม่ว่าจะปรุงแต่งฝ่ายบวกปรุงแต่งฝ่ายลบลงทั้งการปรุงแต่งว่ามีตัวกูขึ้นมามีแต่เพาะที่เป็นปกติเป็นธรรมชาติ แต่มันก็เกิดขึ้นเป็นพักๆนะมันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตาใดที่เราไม่มีปัญญาเห็นความจริงของกายและใจให้ตรงนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติที่เราวิปัสสนานะก็คือเห็นอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งนะความจริงมันประจักษ์แก่ใจเองอันนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วนะก็พวกเราก็ ปฏิบัติกันมาก็เกือบจะครบนะอาทิตย์แล้วนะก็ให้ลองสังเกตดูแต่อย่าไปใช้วิธีคิดเอานะให้มันรู้สึกเองอาศัยความรู้ตัวนี่แหละความรู้ตัวที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะที่มันจะช่วยนะให้เราได้เห็นความจริงของกายและใจได้ความรู้สึกตัวนี่สําคัญมากแต่ความรู้สึกตัวก็ต้องเกิดขึ้นจากความระลึกได้ ความลึกได้ก็เป็นงานของสติเป็นฝาแฝดที่ทำให้เกิดสัพปพปัญญะความรู้ตัวสัพชัญญะเมื่อรู้ตัวแล้วก็ทำอะไรได้ถูกต้องสัพปปัญญะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นธรรมะฝ่ายปัญญาหรือว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำอะไรก็ไม่หลงทำอะไรก็ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายไม่ไม่หลงไม่เลิกนะ คำว่าหลงลืมเนี่ยมันเป็นคำที่สำคัญมากที่มันครองจิตคองใจเราตลอดเวลาพอหลงแล้วพอลืมตัวก็หลงเข้าไปในความคิดพอหลงเข้าไปในความคิดก็ลืมตัวลืมทำให้หลงแล้วหลงทำให้ลืมเป็นเป็นวัตจักรเป็นวงจรอุบาทที่เราต้องฝ่าออกมาให้ได้ตัวที่จะฝ่าได้คือสตินั่นแหละ เมื่อมีสติก็คือไม่ลืมและลึกได้แล้วก็จะทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วลึกได้ก็ทำให้รู้ตัวและรู้ตัวทำให้ระลึกได้มันก็กลายเป็นวงจรที่เป็นกุศลขึ้นมาลองจับให้ได้นะรู้ทันให้ได้ความลืมและหลงลืมหลงแล้วก็หลงลืมนะมันที่จะทลาย ฝ่าวงจรอุบานนี้ให้ได้โดยสายสติและสัมปชัญญะเป็นตัวนำแล้วก็คำที่ก็พูดกันทุนนี้ครับ